ครับ ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายอาจารย์ชื่อดังซึ่งวันอาจารย์ชื่ออาจารย์นะครับได้ ไหว้บอดผลไผ่สงครามนั้นแล้ว 1 ในนั้นก็คือหลวงพ่ออีนั่นเองครับครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่ออีเนี่ยถ้ามาพุทธาภิเษก ปลาจิกเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพวกลูกประดู่หรือทหารเรือของเรานี่ครับโอ้โหเลือกสายศรัทธามากครับครับนะครับตอนนี้มีบทกลอนของของพระอี่มั้ยครับมาปากครับ ครั้งสงครามเอเชียบูรพาทหารไทยนัก พระเอ่ยชื่อหลวงพ่ออีวัชรทิพย์แล้วนะครับเชื่อว่าไม่เพียงแต่เฉพาะชาวชนบูริเท่านั้นที่รู้จัก หลวงพ่ออีท่านยังได้สร้างคุณงามความดีต่างๆไว้อีกอย่างเดือน 10 ปีฉลู 1 ตุลาคมพุทธศักราช 2408 ที่ ท่านเป็นบุตรของนายขำและนางเอียงนามสกุล 25 ปีหรือ 2433 ท่าน โดยมีพระอาจารย์พระอาจารย์ทิมจันทสโรวัดสมเด็จเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทิมเป็นพระ ภูมิรู้และภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์เหมือนกระทั่งเวลาผ่านไปราว 6 พรรษาท่านจึงเรียนรู้วิชา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหลวง นมสการรอยพุธบาตรที่จหวัดสระบุรีโรพอีท่านนั่งสมาธิจนนี้มิตรเห็นภาพบรมสาฤลิกทาต์และพระเอรหารสทาตบริสถานอยู่ใต้ก้นเเหวลึกในแถพื้นที่ดังกล่าวท่านจึนล่าใหุ้มพอบ่านทราบและกล่าบขออนุญาตลงไปอันเชิญพระทาตเหล่านั้นขึ้นมาจากเหวโดยท่านได้ใช้ไม่ภ่สามลําและลูกสลักผูกมัดกันจนแน่น ทำให้โลกพอปานได้เห็นถึงความวิรยาอุศาหาและศักยภาพที่อัดนั่นอยู่ในตัวของลูกษิตคุณนี้ Lohmpie O'Ee ได้สั่งสมประสบการณ์จากการร่วมทุดงไปกับคณะของโลกพอปานอยู่นานหลายปีและจึงได้ตัดสินใจการราธะอาจารย์ ยโธพ่ออีเริ่มออกธุดงค์หลังจากที่บวช 6 พรรษากระทั่งเข้าพรรษาที่ 11 ท่านจึงเดินทางๆกับละแวกๆขึ้นให้ท่านใช้ หนูพ่ออีเขาจำพันษาอยู่ที่นั่นตลอดมาจนในปี 2440 โยมวิดาของท่านมีกิธุระต้องออกเดินทางประยางสำนักภาบรมหาราชวังที่กรุงเทศทำให้มีโอกาสได้กลาบบงคมทูนพระบาทสมเด็ดพระจุระจอมกล้าบจะอยู่หัวราชการที่ 5 เพื่อขอพระบรมราชานุญาตสร้างวัดขึ้นบนที่ดินว่างเปล่าท่ามกลางป่าไม้ จากนั้นหลวงพ่ออีและครอบครัวพร้อมทั้งชาวบ้านวิหารศาลา เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาและเพราะเป็นวัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของคนในพื้นเนี่ยเรียบไม่อะไรปลาช้า วัดเสด็จนะต่อนะแล้วก็เอาว่าวัดสระหีบุคคล 21 กันยายน พ.ศ. 1038 2463 ปัจจุบัน 333 หมู่ 1 ถนน ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัด 30 ไร่ 28 ตารางวาเคย 4 ภคคือ 1 พระครูวรเวชมุนีหรือหลวงพ่อ 2442 จนกระทั่งถึงปีกระทั่งถึง 2489 รวม 47 ปี 2 พระครูสีสัตตคุณหรือ พม. เกษมสนตุสโกดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัตตหีบตั้งแต่ปี 2489 ถึง 2496 3 พระครู 2496 ถึง 2527 4 พระหรือหลวงพ่อเหล็งวิบูลธรรมบานหรือธรรมปาโลเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดสัตตหีบตั้งแต่ 2527 จนกระทั่งถึงปัจจุบันหลังจากที่ได้สร้าง อ่าก็เหมือนกับปาเมตตกับปะฏิสัทธาน่ะท่านบอกตั้งอายุสุขะ 12 ทั้ง เดี๋ยวเกลอยมาเอายาแล้วไม่อยากแค่นี้ว่างไปแทนมันอยากจะพูดยังไงทางขนาดที่เชยให้นั่ง เวลาใครใครเข้าวัดแล้วหายเมาบ่เนี่ยก็มีเดินเดินคนกระดานไอ้เวียนเดินใครเวียนกระดานเลยกระดานที่หน้านามีแต่กระดานโดยคุ้นๆแล้วก็เค้าตมเอาไปลงเสร็จก็เค้าตมเด็กตัวตัวแก๊กหนอกแก๊ก ไอ้โสม่าเวลานี้นักปฏิวัติจริงๆและหนึ่งในวีรกรรมอันโด่งดังของหลวงพ่ออีที่ได้รับการ มีการส่งกองกําลังทางอากาศมาทิ้ง 3 ครั้งทว่าแต่ละครั้งกลับ ท่านคงภาวนานาวาโยคสินจนกระทั่งทําให้เกิดลมพายุพัด ฐานเรือหรือลูกนาวีทั้งหลาย กรรมของหลวงพ่ออีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นนะครับได้ทําให้มุมมองของคนทั่วไปที่มีต่อหลวงพ่ออีนั้นได้พัฒนาไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาครับและพลังของความเลื่อมใสศรัทธานั้นได้เพิ่มมากขึ้น นั่นก็คือปลัดกิครับถึงแม้จะ มีเรื่องเล่าว่าระหว่างท่านหยุดๆคล้ายกับปลาที่ผุดขึ้น ท่านทมลัยเมื่อท่านตอบไปว่ากําลังพยายามจะ พ่อแม้จะลองพยายามช้อนๆอีกกี่ครั้งก็ไม่สามารถทําสําเร็จหลบพ่ออีก็นําปลัดขิกที่ได้จากบ่อน้ําดัง ปลาคีที่ท่านทําขึ้นก็ ในการสร้างประรัตฟขิตตามแบบสบับของล้าพออี่นะครับท่านต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมากรวมถึงสมาที่จิตที่มุ่งมั่นแนวแน่ในการกำหนดและประจูพลังล Wojlog ไปยังประรัตฟขิตแต่ลาอัลเพราะให้ประรัตฟขิตนั้นมีอนุภาพสูงสุดซึ่งถึงด้วยว่าเป็นงานที่ไม่สามารถทำกันได้ง่ายๆ แกนจากไม้ต้นขุนแกนจากไม้มะขามแกนจากไม้ขนุนและที่หลวงพ่ออีธรรมใช้แต่ไม่พบเห็นบ่อยนักในการสร้างปลัดขิกของท่านก็คือการนําไม้กะลางปลาหาที่ลูกศิษย์ลูกหาของท่าน รูปลักษณะของปลัดขิกหลวงพ่ออีจึงมีอยู่หลายแบบตามแต่ 2 แบบก็คือแบบที่ปลายหัว สังยลักที่พบในปลักขิคโลผู้อีทุกอันไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือรูปแบบใด ท่านจะลงวงกลมเล็กๆหรือที่เรียกว่าพินทุไว้ 4 จุดในหน้ากาปูเสกนั้นหลวงพ่ออีท่านจะ ทำการประจุพลังลงไปได้สำเร็จสามารถนำไปแจกจ่ายให้รู้สิตรุหาพบพาติดกายไว้ป้องการสัดร้ายสิ่งอัปมงคลหรือเสนียจันไรตลอดจนโรคภัยข้าเจ็บต่างๆครั้งยังเชื่อว่าสามารถช่วยเสริมสร้างสเนเมตตามหานิยมให้โชคลาบ ความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ในตัวของหลวงพ่ออี แม้แต่ก็เคยได้ยินว่าไม่เคยทราบประวัติความเป็นมาของท่าน จนต้องตกเป็นเป้าโจมตีของ แต่ยังไม่ทันพินิจดูให้แน่ใจร่างของจึง และเมื่อไปถึงก็ได้ก้ม หลวงพ่ออี้เป็นหนึ่งในพระภิกษุ 2489 แต่ เพียงแต่ชัยยาสบุญภัยช่วยรักษาไปตามอาการใน แต่ 20 กันยายน 2489 ซึ่งตรงกับวันแรมตรงกับ 10 ค่ำเดือน 10 ปีจอเวลาประมาณ 21:00 น. น, นหลวงพ่ออี๋ก็ ท่านเริ่มมีหนองไลออกมาทางปากจึงเข้าไป แล้วไปโดนกรอกรูปพระที่แขนอยู่บนแลแล 82 ปีและมีพันสาร ที่จะเข้ารายการในช่วงนี้นะคุณยะบอก 100% ว่าเก็บได้ยังอืมแล้ว ปฏิภาณที่ขยันเป็นภาพพิมพ์คือรูปต้นฉบับจะหายาก 2471 พ.ศ. 2471 ครับร้านกวงหมู แจกในรายงานฝั่งลูกนิมิตของเลยต้นต้นฉบับคือหายากเพราะเป็นศรีศรีปริยายุคต้นเพราะสมัยนี้ท่านยังเป็นๆธรรมชาติครับนะ ฝังในลิมิตพระสัตตะหีบอือถ่ายแต่ปีประมาณปีสะอาดตัวรูปอือแล้วภาพตัวโตๆมีมั้ยตัวโตๆก็จริงก็จะเจอก็ ก็ตามประวัติท่านนะจริงๆแล้วท่านก็เป็นห่วงเรื่องสงครามนะไอ้ฝ่ายบายเซมยุโรปาใช่นะครับในเมื่อมีปลัดขิกแล้วมีเหรียญของท่านแล้วมีอะไรต่างๆแล้วเสื้อยันเสื้อยันแล้วก็ก็คือว่ายุคนั้น ถ้าเป็นแบบขาวดําที่เราเจอกันส่วนมากจะครับแต่ นะวัตถุบูรณนั้นเนี่ยครับให้ถนิทานจริงๆนะครับสําหรับผู้รู้ทางด้านภาพจะดีหน่อย คนที่ว่าใกล้ชิดหลวงพ่อ คือว่าไปทํากรอบดีถ่ายรูปดีเก็บรักษาดี Thank you. เคยนะครับในช่วงสนทนาภาษาศาสิวันนี้ <ak violin> <warfare> กรอครับสําหรับเรื่องปรากฏกิจของหลวงพ่ออีเนี่ยครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไฟฟ้าลงเค้าเหลืออวัศาชงก์ครอบคู่นี้ถือว่าเป็นคณาจารย์นี้เคียงบ่าเคียงไหลกันมาครอบคู่กันมาแล้วครับครอบ 2 อย่างถือว่าสุดยอดสุด รสสัญญะลักษณ์ของหลวงพ่ออีกับหลวงพ่อเหลือเนี่ยครับ แล้วก็ลงพระอีตจังเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยลายมือค่อนอ่าแล้วก็สัญลักษณ์ของหลวง ปิก็เป็นทางมหานิยมปิรัตนะมาลาแล้วก็มิก็หมายถึงตัวเราครับขาว แล้วครับแดงต่อเพราะอะไรใช่ใกล้ทะเล ละปกาละกะละบังหมายความว่าคุณนํา 16 คงขึ้นมาภายปออีกะใช่แล้วก็ แล้วก็ได้สร้างเหรียญเอาไว้นะครับเนี่ยผมดูดูในหนังสือวัด ที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูป 2473 2473 ครับครับผมเหรียญนี้จะมีด้วยกัน ประสบการณ์ไปทางด้านเหี่ยวพงคพรรณอยู่ยุงพงคพรรณแล้วก็สมญานามอีกอย่างนึงที่ปลลคลิก นอกจากอ่าไมค์คูลแล้วนอกจากอ่ากระปังห่าแล้วมีแกะอะไรฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นไมค์คูลกระปังห่า ตอนนั้นทีนี้ได้ตลกครับก็เป็นไม่ได้ดูแล้วนะฮะที่ คาถากํากับดีมั้ยทั้งหมดคาถากํากับเพราะว่าว่าเวลาท่านเหล่าไม้เนี่ยท่านจะภาวนาคาถาเป็นครับตั้งทําเมตตามหานิยมครับครับ ทำไมไม่ไปสนใจเกียรติอาจารย์ต่างๆมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องลางของการเพียงเดียวเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากใจรักใจรักก่อนครับเราผมก็ชอบพวกเรื่องยันต์อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะ จากมั้ยเรารู้ว่าทุกอย่างถ้าเราใจรักครับแล้วครับผมเอ่อไปเรื่อยๆเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆ ทำให้วัยรุ่นเข้ามานะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่รุ่นทั้งไว 2 ชิ้นชิ้นกันแล้วแต่เพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจที่เคยเจอนะที่ที่กรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยก็ยังมีตะกรุดเก่าๆที่เป็น ที่มีการแตกกลุ่มประมาณที่เมืองการก็มีครับที่ประสาทเมืองสิงห์ครับเพราะ ครับๆดีๆผมอ๋อ ก็ประพวากันมาช่วยๆกันก็คือสาวทหารเสืออะไรเงี้ยนะครับก็มีใช่ครับใช่ เนี่ยก็สะสมพระเกี่ยวกับศาลนครปฐมไว้มากมายเลยครับผมถามแล้ว อ๋อครับนะครับพระปิดตารูปหล่อทุกชนิด ตรงโรงพักตรงฮะเปิดร้านทองอ๋อชอบ แล้วคุณโตนี่ได้ขาคุมๆไปครับผมยิ่งที่ปานโต มีจาติโตเข้ามาร่วมงานอยู่กับติตรงนี้นะครับรวมๆนะฮะที่นครปฐมแล้ว ที่ร้านจะมาเช่าก็ 3 คนมีอะไรบ้างที่จะให้ลูกค้าง่ายๆก็คือเราจริงคนนะครับคนที่ มีราคาให้เสมอแล้วก็ในราคาครับหลักประกันก็เรา คือก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมว่าถ้าชอบภาษๆครับไม่ใช่ว่า <je> เชื่อเชื่อเชื่อตัวท่านเองก่อนที่จะรู้จักพวกเราต้องมีใจที่จะศึกษากันก่อนนะครับก่อนอ่าไม่ใช่อ่ะไปนองนอมทางทาง ที่บอกว่าทําตัวนี้แล้วทั้ง 3 ท่านนี้มีจุดจุดยืนในการเล่นพระครับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ อย่างของวงการเล่นพระดีมีมาตรฐานครับครับเชิญครับที่ Thank <laughs> you. หลักธรรมนะครับที่หลวงพ่ออีใช้อยู่ตลอดเวลานะครับ แต่มิตรละครบเพื่อนละครบนี่นะ 1 ถึงจะ 100 มิตรริษยาอันเกลือนิดถึงทะเล ของเราวันนี้ไม่จําเป็นที่ต้องมีเพื่อน